องผมต้องข อ, ขอบคุณมากนะครับที่พวกเราหลายคนเชิญเพื่อนเชิญกัลยะาณมิตรในสายของตนเข้ามานะครับบางคนผมก็ไม่เคยรู้จักแล้วก็บางคนก็ยังไม่รู้จักบุญบําบัดแต่ว่าได้ฟังนะครับได้ฟังเมื่อไม่นานนี้ก็รู้สึกชอบเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ต่อกันเนาะตามหากันจนเจอนะครับกัลยะาณมิตรที่เคยข้ามพุทธข้ามชาติมาก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามามีกําลังใจในการทํางานกัน ศึกษาหาคอนเทนต์ดีๆมาบอกมาเล่าให้พู้เราฟังเยอะเลยนะครับนัเนี่ยถ้ามองว่าที่ออฟไลน์มันจะเป็นประโยชน์นะประโยชน์กับคนในครอบครัวหรือว่าประโยชน์กับญาติพี่น้องหรือว่าประโยชน์กับคนในสายบุญของตัวเองเน้นสายบุญเนาะสายบาปเราก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องหรอกเนะี่ยเอาสายบุญดีกว่ามันจะได้ผูกพันกันไปเพื่อเพื่อเป็นกนานุมิตรที่ดีต่อไปนะครับถ้าไม่ไม่ได้ติว่าเออเราเริ่มกันไปแล้วเนี่ย และสามารถรับสภาพว่าตามดูคลิปย้อนหลังได้นะครับส่วนใหญ่ก็ว่าไม่ตรงกันอยู่แล้วตามดูคลิปย้อนหลังได้ถ้าเขาอยากจะเข้าก็ให้ติดต่อมานะอะติดต่อมาที่ผมได้นะครับก็จะให้เงื่อนไขไปเหมือนกับที่พวกเราได้นั่นแหละก็ให้ตามดูคลิปย้อนหลังเอาแม้ว่าเราจะเรียนผ่านไปแล้วสักเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ตามนะครับถ้าเขาพร้อมจะตามฟังคลิปในเฟซบุ๊กหรือว่า ฟังเสียงในรายย้อนหลังได้เนี่ยผมก็ยินดียังรับอยู่นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่หานะครับหาขะยาะนิมิตเข้ามาฟังเพิ่มแล้วก็ขอบคุณท่านที่มานะครับขอบคุณท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับ